أعوذ بالله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى م د ي ن ت ا ل سلام عليكم ورحمة الله وبركات เป็นสิ่งท er, you know, ี่น่าสังเกตนะครับเราได้เร็นรู้สุรเดชอัลอุรเฟายสิ่งพูดเรื่องสงครามบัตรสงครามบัตรเป็นสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อพันสีรอยปีแล้วยังเป็นบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธาที่ ยังขมักขมินในการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานยังสามารถที่จะให้เหตุการณ์เก่าแก่นี้ยังเป็นอุทาหรณ์และเป็นบทเรียน <c oughs> ปกติแล้วสงครามการสุรุปการเข่นข้าระหว่างสองกลุ่มไม่น่าจะมีบทเรียนอะไรมากมาย โดยเฉพาะถ้ามานั่งพิจารณากันบทเรียนด้านศีลธรรมบทเรียนด้านจริยารมรายาตหรือแม้กระทั่งบทเรียนด้านความเมียมเกรงต่อโลกสุหานุธาดาลมันมันจะงอกเงยมาจากการทำสงครามการฆ่าฟันกันอะ ได้ยังไงยิ่งถ้าเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่าง2กลุ่มเล็กๆ 1,300 น่ับสาอยนะมุชตะกินถือว่าเล็กๆถือว่าเล็ ก, ก, ลกน่ะไม่เหมือนเหล้าปีนี่ไปเจอโจโฉนี่ก็ควางรับหลักล้านน่ะมาได้ยังไงไม่บุย เห็นบางบกบอกว่าเยอะไม่เยอะนะแต่แท้ๆโดยปริมาณน่ะนะอนทัพพันหนึ่งกับสามร้อยเนี่ยในยุคนั้นในสายตาของเขาเน่ยก็ดูดูเหมือนว่าจะนเยอะเพราะประชากรอาหรับมันดาเผาพันทั้งหลายในข้าบสมุทรอาหรับนี่ก็ถือว่าน้อยน้อยมีนักวชาการนักประวัศาสตร์บางคนบอกว่า ประชากรในข้าบสมุรอาหรับทั้งหมดเลยนะในยุคท่านนับี้สุลล็อตของอะไนยุสันลัมไม่น่าจะถึงล้านหนึ่งมันถูกน้อยมากน้อยนี่เพราะฮัจจ์ดุลวดาฮัจอะมลาที่ท <laughs> ่านดับบี้ทำปีปีที่สิบที่สุดท้ายเนี่ยอาหรับที่มาจากทุกสารทิศเลย มามามาเยอะมาทั้งครอบครัวด้วยนะไม่ได้มาเฉพาะผู้ชายนะส่วนมากนะักประวัติศาสตร์บอกว่าไม่น่าจะเกินหลักหนึ่งแสนเป็นหนึ่งแสนหนึ่งแสนนี่ก็หมายถึงว่าคนนี้ไม่ได้มานี่ก็คูณไปสิบคูณไปสิบเท่านี่นะที่ไม่ได้มานี่ยก็ถือว่าเยอะนะหนึ่งล้าน ดังนัในหนึ่งล้านเ น, นี่ยถ้ามามีพัะนหนึ่งอะนะกี่เปอร์เซ็นต์นะหนึ่งล้านนหนึ่งพันนึ่งอศนย์ 0, จุดปเปอร์เซ็นต์ปะ่ะไม่ใช่หนึง่งเอร์็หนึ่งรก็หมื่นนึ่ง 1% อร์ของล้านนี่ก็หมื่นหนึ่งถ้าหนึง 0, น่งพันีน่ก็ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าน้อยแต่ดูแม้กระทั่งในใน ประชกรของมะกาและมา ด, ดินาก็ถือว่าเยอะประชากรเฉพาะของมะกาของมา ด, ดีนาเองก็หลักไม่ถึงหลักสองสมหมื่นนะนะเกณฑ์่าสักพันหนึ่งก็ถือว่าถือว่าน้อยเหมือนกันบทเรียนที่ผ่านพ้นมานี่เป็นเป็นพันปีแบบนี้ ก็เป็นสิ่งที่น่าจดจำแล้วก็น่าคิดโดยเฉพาะในการทำสงครามคนที่เล่าประวัติของสงครามเนี่ยในาประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ขจะส่วนมากคนที่จดจำ ร, รายละเอียดของสงคราม คือฝ่ายไปชนะหรือฝ่ายแพ้ฝ่ายชนฝ่ายแพ้นี่ม่มีมีไมีสิทธิ์เลยฝ่ายได้ได้แต่เกินน้ำได้แต่เกินน้ําตาฝ่ายชนะนี่จดหมดกต่เขาชนะไงถ้าฝ่ายแพ้นี่จะไปตรประวัติศาสตร์บอกว่าฉันชนะอย่างเงี้ยใครจะยอมก็หล่ะ แต่ฝ่ายชนะนี่จะเล่าประวัติชนะยังไงไอฝ่ายแพ้นี่มันง่เออเล่าไปเหอะ <c oughs> ไม่มีใครจะฟ้องคุณหรอกไม่มีใครจะฟ้องมินประมาทจะฟ้องว่าวาเล่าเท็จเลชนะเลย <c oughs> นี่ น, <c oughs> น, น, นี่นี่คือบริบทบริบทของของการเล่าประวัติศาสตร์กันในคุณอ่านเนี่ยม่ใช่เลย ผู้ที่เล่าเรื่องเนี่ยไม่สิไม่ใ ช, ใชฝ่ายชนะแล้วก็ไม่ใชฝ่ายแพ้ก็ฝ่ายที่เฝ้ามองทั้งสองฝ่ายในปรวิวารสาธุไปนี่ก็สุดวิสัทยที่จะเล่านี่ก็เล่าเรื่องเรื่องที่ได้มาแม้กระทั่งเบาะแสที่ได้มาจาก สายลับที่ส่งไปหาข้อมูลจากฝ่ายศัตรูนี่ก็เอามาอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่แต่นี่จะมีเรื่องที่อัลลอฮสุบฮานาหวตาละได้เล่าให้เรารับรู้เกี่ยวกับความรู้สึกความรู้สึกของซาฮาบะความรู้สึกของของฝ่ายศัตรูผู้สธาและก็ผู้ไปที่เซสธาซึ่งเป็นการเล่าประวัติศาสตร์ คิดไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นฉะนั้นการนี่อ่านคุศอ่านอ่านกุอาลเราเรากำลังอ่านเรื่องราวของสงครามอ่ไม่ไม่ ม, มีหรอกเราจะเล่าอ่ะนะสมมติว่าฝ่ายชนะบอกว่าแล้วก็แม่ทัพของฝ่ายศัตรูของเราเขารู้สึกอย่างงั้นเขาเขารู้สึกอย่างนี้เอมาจากอย่างน้อยเดคนก็ะด้างเอามาจากได้ ที่เขารู้สึกงามปท่ไหนจดจำไว้ว่าอะไรบางอย่างที่เราได้อ่านอ่านคุตอาแล้วก็พยายามตั้งข้อสังเกตว่าใช่ใช่มนุษย์พูดมเนี่ยใช่มนุษย์เล่าไหมเนี่ยใครที่จะมาติเตียนหรือจะมาตำหนิคุราน ที่เป็นฝ่ายที่ไม่หวังดีกับอิสลามอ่ะนะก็จะต้องเอาเรื่องราวแบบเนี้มามาวิพากวิจารถ้าเปล่าเลยไม่เลยมันกลายเป็นเรื่องที่น่าจะถูกมองว่ามันเป็นอัศจรรย์มากกว่าเป็นรื่องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าสังเกตมากกว่า แล้วเรื่องที่อัลลอสุบฮานาฮฺเล่ามาเล่ามาก็คนแรกผู้แรกที่ได้ยินก็คือนาวีและสะหามะแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นมันไม่เหมือนการที่เราอ่านผุ้อ่านตอนนี้เพราการที่เราอ่านตอนนี้เนี่ย ล้วนเป็นอะไรนะเรื่องอดีตแต่ถ้าเราอยู่ตอนนั้นนะถ้าเราอยู่กับนบีอยู่กับซอฮาบะเนี่ยเรื่องเล่าอ่าเรื่องอดีตเป็นบทเรียนเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นเกิด ข, ขึ้นต่อนหน้าเรานะนะยังธรรมดายอยู่นะเรื่องกําลังเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยแต่ที่อื่นที่เราไม่ได้รู้นะไม่ไม่ไม่ได้เห็นนะตอนเราเล่าให้เราได้ฟัง อันนี้ก็แปลกขึ้นนะแต่เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะแล้วเราได้ฟังกุศล เ, เ, เล่าให้่านตีตบิสอ ว, ว่าก็ฟังความรู้สึกยังไงผู้ศรัทธานี่ก็เชื่อมั่ น, เ, นเรื่องที่เราบอกว่าจะเกิดขึ้นเกิดขึ้ น, น, นแน่นอนแน่นอนคนดีอิมานแบบเป๋ๆหน่อยนะเนฉะยๆ เด็กใครดูสิสิก็เด็กใครดูไอเด็กมุนาฟิกน่ะมมเป่าอันนี้คือ feeling ประเภทคนที่เขาฟังกุรอศลในยุคนั้นนะ่ะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนะ่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตามที่อัลลอฮฺได้เล่าเป๊ปนะผู้สตา๊ า, า, า, าบบุ هذا มา وعد الله ورسول ن ق ص i n d i ا ل า ه رسوله มา ي ح و ي و م ม ز ا د เพิมอีมานเพิมการยอมรับเขามียอมรับอยู่แล้วแต่มันจะเพิ่มเหตุการณ์มันะเพิ่มนะแล้วก็มีพวกที่ยังลังเลอยู่นั้นเค่อยฉยฉไูดูดีค่อยดูเพะเอออเอก็จะเริ่ม เริ่มพปสูจนด้วยตัวเองเริ่มไปสูจนด้วยตัวเองและคนที่ปักหัวใจกับการปฏิเสธอยู่แล้วนะบังเอิญแถลไปเรื่อยมีมีทางาบังเอิญเกิดขึ้นตามที่อร่อยเล่าเป๊ะเลยนะบังเอิญก็จะมีเช่นเช่น เราไม่มีโอกาสที่จะได้ความรู้สึก feeling แบบนี้แต่ก็สามารถที่จะนึกภาพว่าสมัยโน้นสหฮาบะนี่เขาเขาจะได้เปรียบได้เปรียบในเรื่องอะไรนะความสดของ สดความสดเล่าเรื่องหนึ่งปุ๊บเกิดขึ้นปั๊บสมมตมีมีคนนั่งนั่งที่นีบอกว่าเนี้ยอีกสองชั่วโมงมีปฏิวัติ่สมมตราไดวอะไรแค่สมมตอีกสองชั่วโมงปฏิวัติเราก็นั่งนัน่สองชั่วโมงเปเลยมีโทรศัพท์มาปฏิวัติแล้วครับโอ้โอ นายคนนั้นจะเป็นยังไงฮ ะ, ฮะสุภาบิตาเป็นหมอดูเลยนี่แค่แค่นี้นะแค่นี้นะพวกหมอดูที่บอกว่าไอประธานวุฒิดีเลือกตั้งคนคนนั้นจะไ ด, คนนะได้คนนุ่นจะได้เนี่ยถูกเชิญทีวีและ้ะถ้าดูถ้าดูให้เขาเนี่ยถูกสักปีนึงอะ น, นะถูกเชิญและ้ะถูกช่องละเป็น <c oughs> เป็นหมอดูอันดับต้นๆของโลกละ สนุกนะ Quran, Quran, อังคุณอ่านยุคนั้นนะสนุกสนุกมากแต่ไม่แนะ่มันก็จะสนุกกันละสำหรับคนที่เชื่อเชื่ออยู่แล้วมีความเชื่อมั่นอยู่แล้วเพราะ a l บอกว่าคุรอ่านสำหรับบางคนอาจเป็นเป็นเหตุให้เขาปฏิสเสธมากขึ้น อัอนะวะทาระดีบุญอานยงดีอัลลอฮฺบ่าวอุมะซาดฮฺมัลล่าอิมาณุตัสลิมกุรอาดี่คัเพิ่มให้เขาให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้มีอ ي م ا ن มากขึ้นมีการยอมรับมากขึ้นเพราะเขามีอยู่แล้วเพิ่มเพิ่มและอีกกลุ่มหนึ่งฟังกุรอานแล้วแลวจะเป็นบททดสอบเพิ่มผิดนะ มากขึ้นเนงเขากลังนึกอะไรเพิมฟิตนะาุูอานตามมาเข้ายิ่งปฏิเสธมากขึ้นมีแน่แล้วเราถ้าเราอยู่ในยุคนั้นนะอยู่ที่นั้นอยู่ตรงตรงนั้นนะเราจะอยู่กลุ่มไหนนะมีแน่มีแนะ ถ้าผมถ้าผมเกิดขึ้นสมมติถ้าผมเกิดขึ้นในยุคของท่านนบีผมจะเป็นอัลมุบดุลขุตต้าผมจะเป็นนบูจาฮัตน่ากลัวเหมือนกันแต่บางคนบางคนโอ้ยสอาบะนี่โชคดีเหลือเกินถ้าเราเกิดในยุคของท่านนบีนี่โชคดีมากเป็นสอาบะใครบอกใครบอกเราว่าถ้าเราเกิดขึ้นในยุคยุคนั้นน่จะเป็นสอาบะ อาจะเป็นอบุลาภนะจะเป็นมุนาฟิกษกคนหนึ่งนะใช่ไหมไม่ได้ก็จะย้อนกลับมาบอกอ๋อถ้าอย่างนั้นอยู่ยุคนี้แบบนี้เนี่ยมันทำเรือในมุมนั้นนะในมุมที่ว่าเราปลอดภัยแล้วก็โชคดีที่ได้มีโอกาสรับรู้คุราน แล้วก็สามารถเรียนรู้คุรานและลงทุนในการเรียนรู้คุรานใช้เวลาเดินทางกันมาเสียเสหลักเสียทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้เรียนรู้คุรานแล้วก็เพิ่มซึ่งเราอาจจะไม่ได้ในยุคนั้นนะหรือหรือยุคอื่นก็นได้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้พบกับโอกาสนี้คําถาม เ, เหตุผลอะไรที่จะทำให้เราได้เกิดมาในยุคนี้อยู่ในสภาพนี้อยู่ในหนทางในบริบทที่มีโอกาสเรียนรู้คุรานได้บทเรียนได้ประโยชน์จากการ อาา่านแล้วก็เรียนรูปอ่านเหตุผลแรกเลยกําห น, น, น, นดของหลักสูตรเราแรกเลยนะกาหนดของหลักสูตรทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดขึ้นด้วยอนุมัติอัลลอฮฺอนุมัติให้เราได้เกิดขึ้นมาเป็นคนนี้ชื่อคนนี้นั่งอยู่สละไวเชนเนี่ยกำลังเรียนรู้ปอ่านอยู่ซึ่ง ก็มีคนเหมือนเราเนี่ยทรงเราเนี่ยหน้าตาคล้ายๆเราเนี่แหละทรงเราเนี่แหละบางเอิญก็ชื่อคล้ายๆเหมือนกันนะนะแต่ตอนนี้เนะนี่ยนั่งอยู่ที่คาราโอเกะอัลลอฮ์กำหนดสำหรับคนนี้ให้มานั่งอยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งนงะอีกที่หนึ่งเหตุผลที่สองการพยายาม การพยายามของเราที่จะเลือกทางเพราะเรามีทางเลือกทั้งสองทางเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาอยู่ที่นี่แต่เราเลือกที่จะมาที่นี่เรามีเหตุผล ที่จะดึงดูดให้มาที่นี่แล้วก็มีเหตุผลที่จะถูกดึงดูดไปที่โน่นแต่เราเลือกที่จะมาที่นี่อัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ تعالى ก็จะกำหนดสิ่งที่เราทางที่เราเลือกแต่ต้องเราต้องกําหนดนะแต่เหตุผลที่จะให้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อนุมัติทางหนึ่งทางใดนะก็คือ สิ่งที่เราปรารถนาจริงปรารถนาจากใจจริงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หัวคนหนึ่งฉันอยากจะไปมสัสยิดไปเรียนตับซีโร่เพราะฉันรักกุศลด้วยใจจริงๆนะและ้วอัลลอฮฺกำหนดให้ไปอยู่ที่าคารโอเกเป็นไปไม่ได้สแสดงว่าไม่โลกนี้ไม่แฟร์อาคิราก็จะไม่แฟร์ คนปรารถนาฮิดายะแล้วอัลลอฮ์จะไม่ให้ฮิดายะใช่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์อย่างบริบูรณนะที่จะทาแต่อัลลอฮ์ไม่ทำหรอกอัลลอฮ์บอกเราด้วยนบีซัลลาฮ์นะไอ้ขุ้นซีอันนีหรัมตุ ل م ะอัลลอฮ์ทำได้อัลลอฮ์ทำได้ทุกอย่างแต่เรื่อง ظلم อัลลอฮ์ไม่ทำาอ้ทำนี่หมายถึงว่าฉันอยากอยากได้อลอแล้วอัลล์จะไล่ออกไปอ่ะอัลล์จะไม่อัลล์จะไม่ หรัม้มุห้ า, าล้าหาห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าม่าห้าห้าห้าห้าหาหกาห้าห้าห้าหลาห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าหเาห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าหอาห้่ห้าห้า้้หนาห้าห้าหอาห้าห้า ไม่ใช่บริบทที่บังคับไม่ใช่บริบทที่บังคาบอ๋อฉันฉันก็อยากจะไปมัสยิดอยากจะไปเรื่องกุรอานนันะแต่ว่าเดี๋ยวมัสยิดมันไกลคารูเบมันไกลที่บริบทฉันก็อยากจะเรียนงดูอกุรอานเนี่จะเพิ่มอีหมานนะแต่ฟังเพลงมันก็มันก็ทําให้ มีความสุขเหมือนกันบริบรุอันนี้ไม่ไม่ใช่จักใจสมมติว่าออกมาแล้วก็เจอพี่น้องคนนี้ที่ที่ไม่ได้มาแล้วก็สมมุตินัน แ, แล้วก็ไปคารวก็เจอเจอเขาก็เขาก็จะบอกกับผมอ๋อชฟผมตั้งใจจะมาแล้วตั้งใจจะมา คงก็อาจะเชื่อแต่คงไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะไปอ้างกับตัวหันวันเก่าวลาโอ้โหฉันจะไปแล้วบางครั้เสียงคาราโอเกมันมาก่อนเสียงพูกันเลยเลี้ยวไปหน่อยผมยกตัวอย่างพวกนี้เนี่ยเพราะมันจะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเรื่องกับเรื่องที่ลเสปาร์โนเราจะเล่า ให้เราฟังเกกับเรื่องสงครามบัล ก, การการเผชิญหน้าระหว่างผู้สตาและผู้ปฏิเสธสตาสาังกลุ่มเนยต่างคนต่างมีเหตุผลแต่แน่นอนแต่ละฝ่ายนี่ก็ใจของเขาเนี่ยมีหลักการแล้วที่ทำให้เขาต้องยืนตรงนั้นต้องยืนตรงนั้น ถึงบอกว่าเราเนี่ยถ้าอยู่ในในช่วงนั้นนะสมมตินะนะเราไม่ได้เป็นชาวมักกะไม่ได้เป็นชาวมาดินาไม่ได้อยู่ที่มักกะกับพวกมุชริกีนของมักกะไม่ได้อยู่ที่มาดินากันนบนบีสมมติเราอยู่ที่เมืองตออิฟสมมตินะอยู่ที่เมืองตออิฟและเราเนี่ยเชื่อและศรัทธานในนบีภารกิจหน้าที่ของเราตอนนั้นนะ่ะเราต้องเดินทาง ไปอยู่ฝ่ายใครอะฝ่ายถ้าเราศรัทธานะก็ต้องเดินทางจากต่ออิฟเนี่ยไปมาดีนะไปไปถวายชีวิตบอกว่านายบีไปไหนนี่เดี๋ยวผมไปด้วยผมช่วยถ้าเราอยู่ตอนนั้นยุคนั้นนะ่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ตอนนั้นนะ่ะอาจจะอาจจะเล่นเฟซกันอยู่ เลีลายตอนนั้นแต่เป็นชาวสวนมีทรัยพย์สินมีปศุสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงอู๋เลี้ยงโถฉันมีภารกิจคองฉันจะไปช่วยอะไรเดี๋ยวรอดูก่อนใครชนะเดี๋ยวก็ว่ากันกุมอารับส่วนมากเป็นแบบนั้นเป็นแน่เอาจจะเป็นแบบนั้ น, น, บบ น, น, น, น, นได้อัลลอฮฺ س ب ح ا ะล่า เหตุผลอะไรที่ทำให้สองกลุ่มเนี่ยได้ประชินหน้ากันแล้วกันเลือกเลือกที่จะปะทะกันเลือกที่จะสู้รบกัน ท, ทั้งๆังีเหตุผลอื่นที่จะทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนใจนี่มันก็มีมีเยอะเลยเหตุผลที่จะให้สหายบาไม่ต้องสู้รบก็ท่านในามีเพราะมันรู้ชะตากรรมมันจะเป็นยังไงเราจะ เราจะเป็นฝ่ายได้ช น, นะหรือไม่ได้จะเป็นยังไงฉันอยู่กับครอบครัวของฉันเลี้ยงปศุสัตว์ของฉันทำนาทำสวนของฉันฉันจะปลอดภัยกว่าไม่ต้องมาเจอหน้ากับปัญหาวุ่นวายอะไรแบบนี้ฝ่ายมุชริกินบอกว่าโอ้ท่านต้องต้องมาปกป้องบา ร, รมีของอุยยะตายายของฉันนะ มุ hammad ก็ไม่ด้มาอะไรมากมายของทำไมต้อต้องต้องมาสู้รอกแต่นี่เลือกที่จะเผชิญหน้ากันแล้อัลลอฮฺ سبحانه และก็ได้ก็ได้ทําอะไรที่ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีทางเลือกหลายทางเลือกนะแต่อัลลอฮฺ سبحانه และก็ให้เลือกในทางที่สุดเนี่ยที่อัลลอฮฺ سبحانه และก็ ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นบธททดสอบเป็นบทเรียนไหนที่สุดไหนที่สุดเราก็จะพูดว่าคนที่มาฟังดั๊ซีรวันนี้คนที่มาฟังดั๊ซีดวันนี้นณะเวลานี้ใช่จะเป็นชาวสวรรค์เสมอไหมไม่ คนที่ไปคาราโอเกะวันนี้เลือกที่จะไม่มาแต่เสื้แต่เลือกที่จะไปคาราโอเกะไปฟังแล้วก็ไปกินเหล้าใช่จะเป็นชาวนรกเสมอเพไม่ใช่นั่นหมายรวมว่าเหตุการณ์เดียวอัลลอฮฺให้ให้มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นบททดสอบสําหรับเรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น สำหรับเป็บบนบทเรียนสําหรับคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อย่างพวกเราเนี่ยพวกเราอยู่ไม่ในสงครามบาติริเลยดนปัากฏตัวแต่เราได้บทเรียนสงครามบาตริก็เป็นเป็นบทเรียนสําหรับชาวมัคกะหลายคนหลังจากนั้นในรัมิสลามสําหรับมุสลิมีนหลายคนที่หัวใจของเขาเนี่ยยังลังเลอยู่เนี่ยแต่พอเห็น มหาสัจั์หลายอย่างเนี่ยทำให้อีมาของเขาเมั่นคงบทเรียนที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยเรามีหน้าที่สองอย่างหนึ่งหนึ่งดูว่าบทเรียนนั้นเหตุการณ์นั้นน่ะมันมีบทเรียนอะไรดีๆสำหรับเราในตอนนั้นในตอนนั้น และจะเป็นบทเรียนอะไรบ้างสําหรับเราในอนาคตเพราะคนฉลาดจริงจะไม่ทําให้เหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันน่าคิดนะที่มันน่าจะมีบททดสอบ่จะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยผ่านพ้นไปไง่ายๆโดยที่ไม่สวยประโยชน์จากมัน วันนี้เดินทางบนฟุตบาทกําลังจะข้ามถนนรถเฉียวไม่ชนมันมันไม่ได้เกิดตลอดชีวิตนะทุกครั้งในที่จะอยู่บนฟุตบาทแล้วก็เฉี่ยวใช่ปะ่ะไม่ได้เกิดทุกวันน้นกว่าจะเกิดเราก็จะเอามาเป็นบทเรียนใช้มาเป็นบทเรียนในเเพื่ อ, อความระมัดระวังเรื่องวินัยในกครับ ที่จะข้ามถนนในการที่จะเดินวุน่นวานนยังอยู่ในสงคำว่าส่งก่อนที่จะพัฒนายของท่านน บ, บีลลลลฮุอะลัยฮิวสัลลัมส่วนมากเนี่ยไม่ปราถนาที่จะไปสู้รบ และเหตุผลของเขานี่ก็คือเขายังไม่พร้อมนะแต่อ l l a h า u b h a า a h ว wa t อยากจะให้เหตุการณ์ น, นี้มันเกิดขึ้นเพราะปัจจัยต่างๆเนี่ยฝ่ายผู้สตาด้ได้เปรียบฝ่ายศัตรูเนี่ยฝ่ายชาวกูรเชเนี่ยเขาอยากเลือกเกิน แล้วระมัดระวังเกรงกลัวว่าถ้าหากว่าตัวเขานี่ไม่ ok พร้อมหรือฝ่ายของท่านอับิุลลอฮฺ่งเริมแข็งแกร่งเขาอาจจะพ่ายแพ้ก็ได้แต่อัลลอฮสุบฮานาวะดาล่ะเอื้อเอื้อให้เหตุการณ์ต่างๆถูกมองว่าไม่น่ากลัวน่าเสี่ยง น้าไปนัาสูน้ารบออบิลลาะห์มินศชิตานุรริยูรีกห์มุลลาหฺฟิมะนาไกะกะลีลล์แปถือว่าหนึ่งในบรรดาอายะที่มีคำศัพท์ที่ใช้ไวยากรณ์สูงและใช้คำศัพท์สูงคนที่อ่านอายะนี้ได้เนี่ยก็แสดงว่าอ่านได้คล่องนะแสดงว่าลิ้นเขาเนี่ยไม่แข็งกับภาษารับ อธิบุริคหมุลลาห์อธิบุริคหมุลลาห์อย่างว่าเพราะว่าเนี่ยคำเนี้ยมีกริยามีประธานแล้วก็มีกรรมสองคำปฏิตรีแล้วเนี่ยประโยคนึงก็จะมีกริยาคำหนึงประธานคำหนึง แล้วก็กรรมอีกคำหนึ่งไม่นี่คำเดียวนะมีทั้งสามอย่างทั้งกริยาทั้งประธานทั้งกรรมและไม่ชีกรรมฝ่ายเดียวกกรรมสองสองกรรมอิสยูริอัลละฮ์อัลลอฮ์อัลละฮ์ให้เจ้าอัลละฮ์อันนี้ประธานให้เจ้าเห็น อันี้กิเลสเจ้าคือท่านนบีก็เป็นกรรมหนึ่งกรรมและให้นบีเนี่ยเห็นเห็นใครอ่ะเห็นพวกศัตรูนี่กรรมสองละ่ะนบีเนี่ยเป็นกรรมหนึ่งนบีเห็นเขาเนี่ยอ่ะเขานี่กรรมที่สองละกริยาสนี่ให้เห็นอนี้กิเลสอิยูรีกะหุมุลลอฮฺฟีมะนามิกะกะลิละ ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذا الصدق. قنيد بثنينا ت ن ب ي فن الله تلاو بقول ت ر م ل ك ขณะ التي الله س ่งให้เจ้าเห็นพวกเขา a า l a h ให้เห็นว่าฝ่ายศัตรูนี่จำนวนน้อยนบีก็มาเล่าให้สหายบ่าวพวกกันไม่ต้องกลัวฉันเห็นในฝันนี่ว่าเขาเนี่ยจำนวนน้อยหมายถึงว่านบีทำนายว่าเราจะเอาชนะมันได้อันเป็นกาลังใจที่ทำให้นบีและสหาบ่าวเนี่ยไม่หวาดกลัวละที่ว่าไม่ ในต้นสุรเดลัมแฟร์เรียวก่อนเดิมเนี่ยเขาไม่อยากจะได้ปร ะ, ประเิญหน้ากับกองทัพของมักกะอยากจะได้คารวานคารวานนี่อบมีทั้งทรัพย์สินแล้วก็ไม่ต้องประทะ ก, กันเยอะแต่อันนี้มันเป็นกองทัพเขาไม่พร้อมพอรู้แล้วนี่ว่าอะคารวานนี่พลาดไปแล้วจะต้องเจอหน้ากับกองทัพเขาก็เลย เราแวงละวกลัวละเฮ้ยถอยดีกว่าไม่เพราะเราไม่พร้อมอัลลอฮ์ให้นบีฝันว่าไม่ต้องกลัวฉันฝันเห็นเขาเนี่ยมีแต่จํานว น, นน้อยเราเอาชนะได้และหากว่าวลูอารากคุมคัสซีรันเลฟชิลตุมเล่าฮะกวาบร้าอุนซงเจ้าเห็นพวกเขามีจํานวนมากแล้วไซเลฟชิลตุมแน่นอนพวกเจ้า ก็ย่อมย่อท้อกันถ้าหากว่าในฝันเนี่ยอัลล์ให้นบีเห็นว่าจำนวนมากนบีก็จะมาบอกว่าพวกนู้จำนวนมากน่ากลัวเหียไปเลยและฝาชิ้นตพวกทัพเจ้าเนี่ยก็จะยอทอก็จะไม่กากันละ แสดงว่าขั้นตอนแรกเนี่ยอัลลอฮ์ให้กําลังใจกับท่านนบีสุลต์ละสลับด้วยการฝันให้ฝันเห็นฝ่ายศัตรูเนี่ยเป็นจํานวนน้อยแต่ถ้าว่า ولكن ละละตะนาซาตุลเเอัมริก็ยอมย่อทอย่อท้อกันและขัดแย้งกันวละตนาซาตุลขัดแย้งกันจะไปจะสู้ไม่สู้จะไม่ปะทะกันหรือไม่ปะทะกันจะขัดแย้งกันในกิจการนั้น ว่าแต่ละท่านละสลับแต่เทว่าอลอได้ทรงให้ปลอดภัยปลอดภัยนี่คืออะไรไม่เกิดความรู้สึกระห ว, วัดระแวงในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องขออุทอศต่ออัลลอฮ์ سبحانه และในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยอย่าได้ให้มีข้อมูลเน่ยได้ให้มีความรู้สึกใดๆที่ทําให้เราเนี่ย เกิดความขัดแย้งแค่มีใจพร้อมเพียงกันนั้นัน้นถือว่าปลอดภัยละเวลามีกิจกรรมอะไรดีๆนะแล้วก็มีข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันไร้สาระไร้สาระแล้วก็เอามาพูดในที่ประชุมเฮ้ยเยงินเฮ้ยแล้วมันจะใช้ได้ไม่เนี่ยมันมันจะรอดไหม เรื่อง่มันรืสาระเรืร่องม ม, มมันไม่มีมูนอ่ะมันมันก็แค่มันก็แค่ข่าวข่าวค่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่เอามาพูดเนี่ยว่าบางทีเนี่ยเราต้องขอบคุณต่อลระสุขาราตนะถ้าหากว่าได้มีกิจการอะไรดีๆแล้วก็เรามีเอกฉันใน ก, การที่จะทำโดยไม่มีความขัดแย้งถือถือว่าความปลอดภัยนะ ว่าเป็นเรื่องดีบททดสอบที่มันมักจะเกิดขึ้นในหมู่คณะในกลุ่มต่างๆนี่จะมาว่าต่างๆเนี่เวลามีกิจการอะไรดีๆแล้วก็เชยตอนเนี่ยก็จะกระซิบจะหยอดข้อมูลที่มันไร้สาระทำให้กลุ่มหนึ่งไอ้หยาเลยอย่บยาหยบไปเลยอย่าอะไร ความรักท่านนบีสุลต่านอุลลามะอื่นัลลอฮไม่ไม่น่าจะมีความกันแย่จะมาหาุสลิมคนหนึ่งคนใดเนี่ยเสนอหน้าบอกว่าไม่ต้องรักนบีก็ได้ให้ให้โผล่มาดิให้โผล่มาดิมาพูดแบบนี้ไม่มีใครไว้เลยนะไม่มีใครเลี้ยงเลยนะทีบลงคลองเลยอะ ไม่เหลือเลยแต่มาบอกกันนี้มาบอยคอร์ดฝรั่งเศสว่ามันร่หรูยนาวีเฮ้ยมันจะดีไหมมันเริ่มแล้วเริ่มขัดแย้งกันแล้วมันจะดีไหมน้ำหอมก็หอมนะกันแลขกอร่อยนะ น, นี่มงึงว่าจะพูดในใจนะ ถ้าถ้าลบลูนนบีพวกลบลูนนาบีเนี่ยพวกนี้แหละประเทศประเทศที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องบอลเนี่ยโอ้โหคนไทยเนี่ยรวยเเฉพาะมุสลิมที่เป็นแฟนสโมสรเหล่านี้โอ้ล้มกันเป็นแถวเลยแต่ก็ไม่แน่นะครับแฟนแบรนด์แฟนแบรนด์ฝรั่งเศสนี่ครับไม่น้อยเมื่อกันนะไม่แพ้นะ พวกแฟนเพอร์เฟียมน้ําหอมฝรั่งเศสอะไรพวกเนี้ยระดับระนาดเลยก็เคยมีพวกที่มีขานิยมบริโภคชีสและกะนมของเดนมาร์กโอเมื่อสิบห้าปีนะอาหรับเนี่ยอาหรับเนี่ยเราเรากิน กินข้าวกินข้าวกับอะไรข้าวกับปลาใช่ไหมกินข้าวกินปลาใช่ไหมคนไทยเนี่ยกินข้าวกินปลาใช่ไหมอาหรับเนี่ยกินขนมปังกินชีสชีวิตของเขาอะไขนมปังกับชีสอย่างเงี้ยคิดว่าเท่ากับคนไทยเนี่ยอ่ถ้าไม่มีปลาเราเนี่ยกินข้าวเปลา่ามีไ้ ม, ม, มนเนี่ยมีไ้มเนี่ยไม่มนนีนี่ขนาดนี่ขนาดน้ําที่จะปรงุปรงปรุงปรุงอาหารเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ น้ำปลาความที่มันอยู่นมันอยู่ในจีนในด n a อ็นนมกสกชีสนี่อาับนี่ไม่ได้เช้าเย็นเชา้าแล้วเป็นบททุกสอบจริงๆนะผลิตพันนมกะชีสของเดนมาร์กตอนนั้นนะ่ะนโอ้ประเทศอาับนี่บริเพราะอ นมก็ชิสเนมาจากวัววัวนี่ต้องอยู่ในประเทศแบ่ประเทศมีหญ้ามีเกษตรประเทศอาหรับนี่เป็นประอะไรอะน้ําก็ไม่มีเกษตรก็ไม่มีไม่มีวัวไม่มีวัวอะนีแต่อูแต่ก็อูก็ไม่มีที่จะแบบว่าผลิตนมมาให้กินกันทุกวันอย่างเงี้ยไม่ไม่ไดขนาดนะนมนมมะไนมเดินมาก พออุลามาเรียกร้องให้บอยขอนโขนั่นแหะเป็นบททดสอบจริงๆจริงเนอะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องทะลึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นนะพี่เนาะเรื่องการกินล่ะตอนนั้นน่ะก็ต้องเลือกลเลยคนนี่อบอกว่าครต่อกร น, นั้นน่ะคนชั้นชนชั้นสูงแล้วก็ชั้นกลางเขาก็จะบริโภคนมเดนมาร์กก็เป็นของแบบดิบชีส ข้อนึงเนี่ยราคา1ั0 0องพับาทชีสไม่ใช่ก็เหมือนไอ้นี้แหละเราก็กินปลาทูนี่ตัวละ25่ห้าบาทนะแต่มีคนเขากินปลาปลาแซลมอนเนะี่ยตัวละเป็นหมื่นนะนั่นนะบอกให้เขากิกนปลาทูบ้างครับก็กระกระมันดนสัิยมไงแต่ก็เหมือนกันชีส ชีสมันก็มีอะยี่สิบสามสบาทก็มีแต่พวกนี้เขาไม่กินเขากินชีสชิ้นละพันสองพันบาทก็กินอย่างนั้นบททดสอบก็มีนะคนที่แบบว่าอาหารเขานี่ของแบบเนี้ยของทอ็ทอปแบบเนี้ยกินเหลืยอมกินผลิตภัณฑ์ของชาว บ, บ้านนะ่ะนมนมควายอ่า อ, อาหรบนีนมควายนี่เยอะนมกระเบือ้อง น้ำมกระเบืองควายอ่ะเยอะยอมกินนมชาวบ้านนี่แหละชีสชาวบ้านเนี่ยชีสแบบมันบ้านน่ะคนชนบทก็แต่ยอมกินแล้วก็ทิ้งของพวกเนี้ย พ, พ, พวกเรานี่จะมาเปลี่ยนนุสนิยมในชีวิตเนี่ยไม่กินข้าวไม่กินข้าวไม่กินปลาเนี่ยลองคิดคนไทยจะเป็นอะไรบางคนอาจจะขาดตนตายแล้วเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยไม่กินซูชิ ม่กินวาซาบิอะไรเงี้ยชีวิตเขาจะเป็นยังไงคงจะไปเข้าป่าข่าตัวตายอ่ะเป็นบททดสแรงเงี้ยนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะเราจะรู้สึกเออถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ที่เราต้องพร้อมใจกันนะและไม่มีความขัดแย้งนั่ถือว่าอัลลอฮ์ ولكن อัลลอฮ์เสริมอัลลอฮ์ปลอดภัยจริงๆ มีใครจะมาเสนอหน้าบอกว่าฉันไม่รักนบนีโอ้เราพร้มใจนะประนามทันทีเลยจะเสียใจเวลาเรายกระดับการที่จะพิสูจน์ความรักต่อท่านนาบีนิดหนึ่งพิสูจน์หน่อยนะว่าเรารักรักนบียังไงต่อต้านคนที่รักนบีให้มาบอยขอนะมันดีเรึมันจะมีผลรึมีประโยชน์รึ คำพูดวาจาของเขานี่ก็จะอ้างขออ้างนาน า, นาชนิดบริขอตมันไม่มีหลักฐานบริขอตมันจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ไม่กับพิสุจน์ด้วยตัวเลขนี่ของเดนมากันนะการบริขอตนี่ทำให้รายได้ของประเทศเดนมาเดนลด15 หนังสือพิมพที่วาดภาพลบลูนบีและบริษัทที่เสียหายนี่นะออกมาขอโทษหมดออกมาขอโทษหมดเลยนะแต่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้ออกมาขอโทษที่จริงเนี่ยก็รัฐบาลรัฐบาลก็ไม่เกี่ยวกูไม่ได้ทำอะไรแต่ตอนนั้นนะ่ะคืออุณภูมิอ่ะมุสลิมบอกว่าต้องขอโทษทั้งประทีตเลย ทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งบริษัททั้งรัฐบาลจริงไงรัฐบาลมว่าเกิดกับคุณไม่ไทแต่ที่สุดเนี่ยที่สุดตัวเลขพองมันออกแล้วแล้วตอนนั้นก็มีคนที่อ้างเหมือนกันในคำพูดของเขาอ่ะที่เขาบอกว่ามีประโยชน์หรอกแต่ที่จริงเนี่ยอยากจะกินชีสนั้นมากันล่ะแต่ก็พูดแล้วก็ไม่มีประโยชน์ก็ตัวเลขออกไม่เห็นชัดน่ะอะไรอ่ะ หนังซื้อพิมพ์เนี่ยวาดภาพลบหลู่บุคคลสำคัญของประชากรจำนวนมากในโลกนี้ทาให้ ร, รายได้ของประเทศลดแค่ภาพหนังซื้อพิมพ์ฉบับเดียวเนี่ยทำให้รายได้ของประเทศทั้งประเทศเนี่ยลดไปส5บ้าปแล้วเขาจะนิ่งเฉยเหรอนี่ของฝรั่งเศสตัวเลขก็เริ่มออกมาละรายได้เนี่ยห้าปลห้าปซของประเทศนะ เริ่มเริ่มมีแล้วเพราะอะไรเพราะหนึ่งสิบคุณคุณเะสลารายได้ 5% รของประเทศเพราะห น, นึงสิบเอับหนึ่งก็ถือว่าคือมีค่าเท่ากับเท่ากับวัวที่ผลิตนมอ่ะไม่อยากจะบอกว่าควาอยอ่ะนะจะได้ ด, ไดูดูนั่ น, นสละรายได้ของประเทศอย่างเงี้ยให้ประชากรมุสลิมทั่วโลกพันร้อยพันล้านกว่าคนอย่างเงี้ยบอยคอร์ ถึงอังจปนร์เซ็นต์น่ะเพราะหนังสือมิมฉบับพอภาพสี่ห้าแผ่นอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณไม่มีไม่มีปัญญาตามันก็ปฏิเสธไม่ได้ความขัดแย้งเกิดขึ้นจริงในสังคมมุสลิมในท่าทีที่เราจะต้องทำเพื่อปกป้องท่านได้ ในขณะที่เรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องศรัทธาไม่เกี่ยวกับเรื่อง إ ม م ا ن ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาไม่ดีอะไรเลยในกิจการคนเคยอยู่ไว้เนี่ยหรอกนะเคยร่วมสู้บากระบาเนี่ยที่สถานทูตเดนมาร์กสู้ ไม่แกดิกแม้แต่นิดหนึ่งเพื่อปกป้องท่านนบีสุลต่านละแต่ถูกถามว่าปกป้องสถาบันนู่นปกป้องสถาบันนี้บอก็เป็นฝรดุกิฟัยยะแล้วปกป้องนบีเนี่ยเป็นอะไรอะคงก็มีความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในหมู่คณะที่ทำให้ช้ำใจในเรื่องที่ไม่น่าจะไม่น่าจะ น่าจะขัดแย้งกันเพในประเทศในบ้านเมืองนี่เขาขัดแย้งกันปกป้องสถาบันนะ่ะนะปฏิเสธไม่ได้วันนี้คนไทยเนี่ยเขาขัดแย้งกันเขาขัดแย้งถ้าสัมุสลิมขัดแย้งกันมันก็ไม่แปลกแปลกมะล่ะไม่แปลกเพราะคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาก็ขัดแย้งกันดูก็ดูจะชูกี่นิ้วนี่ยก็ยังขัดแย้งกันเลยมีห้านิ้วให้เรื่อง แตาเสมอมุสลิมควที่จะขัดแย้งกันไหมเจ้าว่าจะฟรดุกีนะ่ฟ้านั้นเป็นฟรดุ عين ฟรดุอินนะควรที่จะขัดแย้งกันไมคว่จะถอยควที่จะแอบไหมไม่ควรเลยแต่เสนอหน้ากันในเรื่องอะไรในเรื่องที่เขาขัดแย้งกันเสนอหน้าในเรื่องที่เขาขัดแย้งกันแต่ในเรื่องที่มันเอกฉันนะของเราอ่ะนะไอ้หัว ولكن الله سلم. Allahiman ปาฏิาริ์เี่ยคันการที่ท่านีทนนบีเนี่ยแค่นบีฝันแล้วก็บอกกับสหาบาห์ูจำนวนน้อยสหาบา์นี่เชื่อใจนบีก็เลยมีกำลังใจมากขึ้นไปไหมลุยโอ้พี่น้องพี่น้องนึกภาพนะเวลาแม่ทับเนี่ย เลยแได้ยินเสียงเสียงทหารน่ะสมาชิกในกองทัพอ่ะเสียงเดียวกันอ่ะลุยลยุเสียงเดียวกันพร้อมกันนะฮะความรู้สึกของมไไแม่ทัพเป็นยังไงเรือว่าแม่ทัพลุยแล้วก็ได้ินได้ยินลุยกันหมดเต็มที่เสียงเว่น <c oughs> <c oughs> สครับสังคมต้องเว่นเนี่ย เราจะมาปกป้องท่านรีสรุปอยจได้ในสถานเดิน ก, ก่อนหน้านั้นน่ะออกไปประท้วงปกป้องนักการเมืองมุสลิมคนหนึ่งโอ้โหเป็นออกเป็นออเป็นเป็นพั น, น 10, คนน่ะช่วงนั้นเลยนักการเมืองมุสลิมคนหนึ่งถูกรังแกอะไรเงี้ยโอ้โหออกกัน บองนั่นกันออกมาเป็นพันเลยระทั่สถาบันนูนสถาบันนี้กระจัดเวลาพ้องกันเลยท่านนบีถูกลบลูี่ที่น่ากลัวนะคนเราเนี่ยจะอยู่ฝ่ายไหนเนี่เราพออธิบายให้เหตุผลกับคนอื่นอย่างเงี้ยที่ออกมาปกป้องแต่ละปกป้องกันเนี่ยนะหลายอย่างนะ แลก็ทุกคนก็มีเหตุผลไงไอ้ที่บอกว่าฟอดูกิฟายาเนี่ยทีบอกวาดูกิฟายาที่บอกว่าก็มีเหตุผลนะแต่ที่จะที่จะโกหกไม่ได้เลยอ่ะนะที่รู้ว่าใจเนี่ยเราเนี่ยใจเราเนี่ยมีเหตุผลอะไรอ่ะนะอันนี้น่ากลัวที่สุดนี่ยละุบะลกลบอินูอลมุบิาตัสดุ แ่จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงร่องรู้สิ่งที่อยู่ในทรงอกอยู่ในหัวใจห่างไปสิบอยคอดไม่มีผลก เ, เราทำอะไรอย่างอื่นดีกว่าอ้าพูดไปอะไรในหัวใจมีอะไรอยู่ในหัวใจออ สแสดงท่าทีอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อท่านนบีสุลต่าลอฮ์วะไลอุสัลลัมสักอย่างหในชีวิตนี้ในการแสดงท่าทีเนี่ยเคยไปช่วยหาเสียงให้นักการเมืองกันแล้วเคยไปออกประท้วงข้อผลเลือกตั้งของออไอดอนของตัวเองเนี่ยไม่สมปรารถนากันแล้วเคยไปประท้วงเรียกร้องสิทธิสวัสดิการก็แล้ว เคยไปประท้วงออพ อ, อสถาบันสถาบันหนึ่งอยากให้ปลดกันแล้วอะไรกันแล้วหมดออกมาแล้วทุกอย่างแล้วแต่พอจะจะได้ออกอะไรสักอย่างแสดงเพื่อนบนะสักอย่างเนฮะ้ยระท่วงบิดาใครเป็นเจ้าอุดมการทันทีเลยนะไอ้เรื่องที่ออกไปทั้งหมดนี่นะไม่มีสถานะไม่ไม่ได้รับสถานะ ความเป็นพิดาทั้งสิ้นไม่เปลืองเวลาไม่ใช้สมองในการที่จะวิจารณว่าออกได้ไม่ได้วิจารณว่าพิดาไม่พิดาแต่พอมาถึงจุดยืนต้องสแสดงกับน บ, บีนะร่องพิดาข่าวนี้มุมุลสลิมเพมื่สันติตั้งใจไม่จัดประทู ปรกากฏวไม่มีใครพูดเรื่องปะท้วงตั้ง ใ, ใจนะทําไมอ่ะเพราะก่อนหน้านี้นี่ปะท้วงกันทั้งประเทศไม่มีใครออกมาพูดอะไรเลยนะประท้วงกันวัตถุประสงค์หลากหลายไม่มีใครพูดเรื่องปีนงปิดาอะไรเลยนะ พ่อสิลิมปตอสันตีนี่ไม่ไม่ใยับไปไหนอ่ะนะไม่มีวิจารณ์ก็สแสดงเห็ว่าการวิาพากวิจารณเรื่องประทตงบิดาเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มที่สวมให้เฉพาะมุนิทิมุสเบอร์ไอ้กลุมนี้ออกมาไหนนี่นะกู ม, มีชุดบิดาที่สวมให้มึงเลย แล้วกอื่นนี่ก็ระท้วงอะไรวะไม่มีไอชุดนี่ชุดนี้คนะเบอกันอันนี้ในฝันของท่านนบีสุลล่านก็จะก็เป็นกำลังใจแต่ในความเป็นจริงอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮก็เอื้อให้สถานการณ์เป็นแบบนั้นจริงว่าอิดยุรีกูมูหุมดูนะาระวังสองคำเนี่ย นที่สอนกอ่านที่ว่า่เนี่ยนใครอ่านอายานี้คล่องๆนแสดงว่าลิ้นเขานี่มแข็งแม้กระทั่งอรบนะข้างบนมอกรกี็ท่อาิูรีเคห์มุลลอหฟีมะนามิกะลลาซึ่งจะมีอักษรออกจากฝีปากแล้วก็อักษรนี่ออกจากลำคออิ่ยรีเคห์มุลลหฟีมะนามิกะ ออลีแหลอ้โแต่และอักษรเนี่ยสอนจากฝีปากจากปลายปลายฝีปากปลายลิ้นเลยก็อักษรมาจากข้างในออลี่เลยจะลลำคอเลยอะ่ะถ้าใครอ่านนั่นนะก็แสดงว่าแสาดงว่าอ่านกิง่งงายัตถมาเวาอิสยูรีกูมูฮุมอิดิลตะกัยตุมฟีอายุนิกุมกลีล ผมเคยละหมาดตะรวีตามฮาฟิดคนหนะึ่งนี่ขนาดฮาฟิดนะท่องจำคุรอ่านนะนะพอมาถึงอาย่านี่นะึงเสียงแตกเลยอะ่ะก็คืออ่านอ่านอ่านผิดนะสองอาย่านี่เออมันมันจะทดลองความแม่นในการอ่านแล้วก็ท่องจำคุรอ่านจำไว้ให้ดีนะ وإذ يريكمهم و إذ إذلتقيت م في أعينكم قليل ا و ي ق ل ل ك م في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. لجورم لك كناتي برهون سونغ هاي พวกเจ้ أني. ในสมมติ م ل อบคลุมแล้ว أ ن و ن آية ที่ผ่านไปแล้วเนี่ย ก่อนเหตุการณ์ประทะนะอัลลอฮ์ให้ท่านนาบีฝันนั่นนบีก็มาเล่าว่าเอ้ยจำนวนน้อยก็เลยเป็นกําลังใจมันก็เลยไม่มีความขัดแย้งซาบาก็ไม่ท้อแต่พอมาเจอแล้วอ่ะซึ่งซาบ้าสามร้อยแล้วมุชลิกินอะไร่หนึ่งพนมากกว่าสองสามเท่าเลยนะก็ไม่ถือว่ามากกว่าเยอะนะถือว่าจำนวนเยอะนะเยอะดิ ถ้าถ้าเราคนหนึ่งแล้วก็มาสู้กับสามคนอย่างเงี้ยใครๆก็บอกว่าคุณจะไหวไหมใช่ไหมอาจจะท้อก็ไดมม้สามร้อยเจอพันหนึ่งหนึ่งเจอสามเงี้ยนะหนึ่งเจอสามสามร้อยเจอพันหนึ่งเยอะไหมล่ะเยอะสิแต่เราบอกว่า จงรำลึกขณะที่พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเห็นพวกเขามีจำนวนน้อยในสายตาของพวกเจ้าอันนี้จริงแล้วนะพอมาเผชิญหน้าจริงไนะอันนั้ น, เ ป, นเป็นเรื่องฝันแต่พอเจอจริงแล้วก็เขาน่าจะเห็นจริงว่าเขาเยอะกว่าแต่อัลลอฮ์เนี่ยประสงค์ที่จะให้สายตาเขาเนี่ยเขามองอะ่ะไม่เห็นความเยอะอะาบวะสองท่านเนี่ย ที่ยืนกัน300คนน่ะนะแล้วก็มุชี้นกีนฝั่งหนึ่งพันคนนะอินดัสทรีแรงงานบอกว่าสอฮาบร้อยคนนึงเ น, นี่ยนเะจ็ดสิบคนได้ไหมอีกคนหนึ่งบอกว่าอาจจะ100คนคือเห็นเห็นฝั่งศัตรูเนี่ยน้อยกว่าของเขานะมีงานของหรอชัดๆเนะหตุคนนะ่ะ ขนหาข้าเห็นมากกว่านี่นะก็เหมือนหนึ่งคนเห็นสามคนขอโทษกับพี่ผมพอดีจะเข้าห้องน้ำหน่อยกลับแล้ว้านแล้วแต่นี่เขาสามร้อยแล้วก็เห็นหนึ่งร้อยสามร้อยเห็นหนึ่งร้อยกจะจเดี๋จัดการให้เดี๋ยวจัดให้ใหคือให้กําลังใจไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องหวาดกลัวแล้วไปได้เลยลุยได้เลยจึงเป็น จึงเป็นกําลังใจไม่ท้อแล้วขณะที่พวกเจ้าได้ไปเชิญหน้ากนนนันอิดิลตะไกตุนไชิญอิดิลตะกวยุคลลุคุมฟีอายุนิมและส่งให้พวกเจ้ามีจํานวนน้อยในสายตาของพวกเขาในทางตรงข้ามนะเขาในสายตามุสลิมนี่นะ เป็นจํานวนน้อยแล้วมุสลิมที่เขาจํานวนจํานวนน้อยจริงอะในสายตาของเขาอะนะอัลลอฮ์ก็ให้เห็นจํานวนน้อยจริงแต่ฟ e ล l i n g ความรู้สึกมันจะต่างกันโอ้โอโอโจํานวนน้อยเราเอาชนะได้ก็เท่ากับอัลลอฮ์ต้องการเตรียมสถานการณ์เพื่อเป็นบททดสอบ ให้สงให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ปะทะกันจะได้เป็นอุทาหรณอุทาหรในการเกิดสงครามระหว่างผู้ศรัทธาและก็ผู้ปฏิเสธสุาในอัลฮิมรอนอัลลอห์ได้เล่าเรื่องของสงครามบัตรเนี่ย ผ่นไปแวบหนึ่งยาราวนะฮุมมิสไลหิมระอยไลน์ศัตรูฝ่ายปีิเสธาฝ่ายมุสลิมเนยยรวนะฮุมเขาจะเห็นฝ่ายมุสลิมเนี่ยมิสไลหิมเท่าตัวเท่าตัวเขาอะสองเท่าอะราะเอีลน จ, ع จ ع ่่ในอายะห์นี้สุรตะลมฟัลว่าจะย้ลุกุบอยนิให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นจํานวนน้อยในสายตาของพวกเขาแต่ในสุรตะอเมร้อนอว่าพวกเขานี่จะเห็นพวกเจ้าสองเท่าตัวนเดซีรกว่ากุลุกะแลมลายะฮ์คำพูดของ a l เนี่ยจริงเสมอทุกส่วน คือก่อนเริ่มสงครามคือแต่ก่อนนู้นอ่ะใครดูใครดูหนังก็รู้อ่ะล่ะไม่ใช่ว่าม า, มากันจากเมืองนี้เนี่ยมาวิ่งกันแล้วก็มาปะทะกันเลยไม่ใช่ใช่ไหมเขาก็จะมาแล้วก็มาเออมามาเรียงซอมกันก่อนนะ่ะนะเขาเรียกอะไรมาจัดแถวกันก่อนนะ่ะจัดแถวกันแล้วบางทีก็อาจจะมี อสวินที่แบบว่ากาหารมาเออมามาเจอกันก่อนอแล้วบางทีนี่อสวินไขรชนะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอันว่าจบจบตรงนั้นเลยไขรแพ้นี่ก็จบถอยกันทั้งกองทัพเลยแต่บางทีนี่เอา้าไม่ไม่จบถ้าไม่จบไัน่ะก็ลุยกันต่อเริ่มสงครามนี่นะเนี่ยไอ้สุรัตอัลลัมพเอเลิกก่อนที่จะปะทะกันนะ่ะก่อนที่จะปะทะกันนะ่ะ มุสลิมเห็นกาเวนน้อยก็เลยมีกำลังใจกาเวนเห็นมุสลิมเนี่ยน้อยน้อยดียังไม่ด้ปะทะกันนะ่ะกาเวนเห็นมุสลิมน้อยก็เลยดูถูกเฮ้ยเ จ, จอะเดี๋ยวเจอแน่นะดูจัดการอ่ะดูกุจกัดการเลยอันนี้ยังไม่ปะทะกันนะพอปะทะกันแล้วอ่ะนะพอปะทะกันแล้วอ่ะนะอัลลอฮฺส่งมาลายก้ามา กาเฟนนี่ก็เลยเห็นเฮ้ยนี่นี่ไม่ช่แค่สามรอยเฮ้ยมันพั น, น ก, กว่ า, านี่เยอะกว่าร่างเนี่ยมิสลห์เห็นเนี่ยโซดันไอไลบรแสดงว่าโซดอนว่านี่เล่าเรื่องก่อนปะทะของไอไลบรอนเล่าเรื่องหลังประทะกันแล้วเห็นแล้วนี่ว่ามีมาลายกาแลลงมาช่วยแล้วจึงไม่ขัดแย้งกันนะครับเออถ้าจะไปอ่านนังสองโซดอนบอกว่าเอา้าก็มีแหละ คนที่แบบว่าอ่านกุทอ่านอย่างเดียวแล้วก็อ่านแบบตั้งใจจับผิดนะอ๋อคนต้องมีไอายักอันหนึ่งที่มันกิ ต, ตัดนี่ออกไปแล้วก็นุ่นอายุกิตาภ์เร่งนี้ไอะไรไม่เข้าใจอาตัดนี่ออกไปไม่เอาคําบิลเขาเนี่ยก <laughs> ็เละแบบเลกแบบเนี้ยเออไม่กลับไม่กลับไปหาผู้รู้จะได้อธิบายอธิบายเขาจะได้ ที่ Allah ให้มองเห็นจํานวนน้อยเนี่ยทั้งสองฝ่ายในต่างคนต่างมองอีกฝ่ายหนึงงวดน้อยเนี่ยแต่มุสลิมเห็นศัตรูเนี่ยมองน้อยเห็นว่าเป็นจํานวนน้อยก็เลยมีกําลังใจที่จะสู้ก็ราถ้าเห็นจํานวนมากก็อาจจะท้อกาเวนนี่คนละความรู้สึกนะคนละความรู้สึกนะเขาเห็น Allah ไม่ให้เขาเห็นมากนะเห็นเขาเป็นจํานวนน้อยเท่าเดิม เพื่อดูถูกแล้วก็ตัดสินใจที่จะประทะทำไมอ่ะเพราะก็มีอะไรมีพวกมีพวกแม่ทัพแล้วก็นักรบที่มีศักดิ์ศร mm ีก hmm. องแคบแค่นี้แนหะกูไม่ไปสู้หรอกเสียชื่อเจอไหมกลับแล้ว ถ้าแกนี่อัลลอฮ์ให้ให้มีความรู้สึกว่าอยากสู้มีทั้งหมดนี้อย่างที่ผมอธิบายตอนต้นนสถานการณ์หลายสถานการณ์เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะหัวดารากำหนดมีบริบทที่จะให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเลือกทางเหมือนเรื่องคารุบะด็นตัดสนบริบทของมุสลิมเนี่ย เลือกที่จะไปสู้รบหรือไม่ไปสู้รบบริบทของกาเวรเลือกจะออกจากมักกะไปไปสู้กับนบีหรือไม่ออกแต่ต่างทุกฝ่ายนี่ก็เลือกที่จะไปสู้แล้วลูกุมหาห์นะวะตะลกะ็เออสถานการณ์ให้เกิดเหตุการณ์นี้เพื่อเป็นบททดสอบกับทั้งสองฝ่ายเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์สำหรับทั้งสองฝ่ายที่อัลรัฮฺ أمر แก่หนาฝูง เพื่อที่อัลลอ์จะได้ทรงให้งานหนึ่งเสร็จสิ้นไปซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทำไว้แล้วมะฟูละถูกกระทำไว้แล้วนี่หมายถึงว่ามันยังไม่ได้ถูกกระทำนะเหตุการณ์มันตอนที่อัลลอ์เยังไม่ได้ถูกกระทำนะ แต่อัลลอ์รกว่าูกกระทำแล้วนี่เพราะอะไรเพราะทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ตัดสินเนี่ยย่อมเกิดขึ้นวันกยมาเกิดขึ้นเนี่ยฮะวันกยมาเกิดขึ้นแต่ อ, าตาอัลล์บอกว่าอตอมุลลอฮิฟลาตัสติวันกเกียมาเกิดขึ้นแล้วเอียรรีบเร่งว่าไปว่าสิ่งที่อัลลอ์กำหนดวจะเกิดขึ้นนี่นะย่อมต้องเกิดขึ้นไม่ต้องลังเล นี่ทำให้ผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยต้องรู้ว่าอัลลอฮ์อิแผนแทนนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยเราวางแผนเราปฏิบัติตามหน้าที่ส่วนอะไรที่มันจะเกิดขึ้นจริงอะนะแผนของอัลลอ์นี่นะเราต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์เตรียมแผนไว้อย่างดีเลยนะกินข้าวกินวิตามินกินนั่นน่ะไปเน็ตจะได้ อุ่นดีจะได้มีกล้ามมีเนื้อเนฮะโอ้โหนี่พอกินอะไรอะ่ะที่เขากินกันจะได้มีกล้ามเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเออกินไปกินมาซื้อบางอันนี่ก็เป็นพันน ะ, อะสองสาเดือนแล้วพุงออกมายัางไงเนี่ยมาได้ไงอะ่ะเนี่ยถ้าบางคนนะ่ะ รับไม่ได้เลยลงทุนไปแล้วไปฟิตเนสแล้วอะไรแล้วแล้วก็อยู่ดีก็เจอพุ่งแบบนี้รับไม่ได้เลยอะ่ะข่าตัวตายนะแต่มาเจอหุนแบบนี้หนูหูลงทุนกันขนาด น, นี้หนูชีวิตชีวิตมันมันรับไม่ได้เลย อ, ะอ่ะอ่าทำไมอะ่พะพอเขาลงทุนเนี่ยเขาอยากให้แฟนเห็นหุนเขาดีเนี่ยเพราะแฟนดำนี่นี่อ้วดเงี้ย อ๋อเลยชีวิตย yeah. oh, ู่ไม่ได้เาตัวตายมีให้เห็นแล้วก็คนคนประเภทนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหัวใจคนรุ่งเนี่ยเขาไม่มีไม่มีที่พึ่งน่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าโลกจักรวาลนี้เนี่ยถูกบริหารยังไงเขาเชื่อในตามโฆษณาบอกว่านี่แหละกินไอวิตามินนี้แน่ๆอีกสองเดือนนี้แล้วเขาเชื่อเชื่อตามโฆษณา แล้วโฆณานี่ยมันมีเอฟเฟกตมีตัดต่อมีอะไรนะไอคนนี้ไอคนนี้เป็นพ่อยดีก็มเป็นก้างเเชื่อยังเชื่ออีกอะยังเชื่อมันน่ะอ๋ออูก็จะเป็นแบบนั้นแต่ก็เป็นแบบนี้ไม่ไม่ีพอจะกินสองสมเม็ดเียโอ้โหนี่เป็นเป็นก้ามออกมันจะมันก้ามมันจะโผล่มาเองเงี้ยยังเชื่ออีกอะมากกว่านั้นบททดสอบต่างๆที่เราไม่รู้อะไร เรานี่กว่าละมาดนี่แหละเราละมาเราสิกรูรู้เราอ่านกูอ่านเราเข้มแข็งเราจะบททดสอบเจออะไรผ่านหมดเนาะไอ้เราแ้วนี่นอีดีอีกู้นี่นี่ยังอ่านได้เลยกูอ่านยากยากยังอ่านได้เลยบททดสอบด้เราก็เจอหมดด้วยผ่านง่าย เพราะดุคิฟายะเมรอดว่าอีละลลอฮิทูร์ยาอุลอุมูรละยัางอัลลอฮนันกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไปเป็นบทสรุปอะไเป็นอุทาหรณ์ทุกเรื่องเนี้ยกิจการทั้งหมดเนี้ยใครเป็นผ <Allah. S 2> ู้จัดการเราไม่เก่งหรื ไม่มีใครเก่งหรในโลกนี้ทุกคนในโลกนี้กาลังทาหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ศรัทธาเท่านั้นนะที่โชคดีมอบหมายมอบหมายและพบในสิ่งที่เป็นกำลังใจเสมอผู้ศรัทธาเนี่ยในสงครามว่าเขาหวังว่าจะชนะแล้วชนะ เขากับนนะก็ได้ดีใจสงครามก็คุดเขาหวังว่าจะชนะแต่ไม่ชนะแต่เสียหายไว้ไม่เสียหายเดี๋ยวฉลองก็จะก็จะมีบทเรียนเกี่ยกับสงครามวผ่านไปแล้วในอรลอเมรอนก็นจะมีอีกในสุดกันเต้าไปจะมีพูดถึงเรื่องสงครามสงคราม มุตตะสงครามตะบุกซึ่งในช่วงแรงไงไกเนี่ยใกล้ๆจะพ่ายแพ้คล้ายๆบทเรียนของสองครามแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยพร้อมทุกสถานการณ์สำหรับผู้ศรัทธาอย่างนิศนบีไม่มีอะไรขาดทุนเลยเพราะทำใจแล้วว่าแผนของอันลัทสุภานวโมไดา้เลาจะเหนือกว่า แ, แต่หน้าที่ของเราละ่ะเครื่องมือในการที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับวิกฤตและบททดสอบเครื่องมืออย่างละเอียดเลยนะต้องทำอะไระนี่นะครับในอญญายะต่อไป45เนี่ยลัทธิพานุวานแล้วก็จะพูดถึงสิ่งที่ผู้ศรัทธาได้ทำหรือต้องทำถ้าเผชิญหน้า แตวิกฤตที ed, daylight, ่มันเจอกับความตายนี่แหละจะทำยังไงให้วิกฤติที่มันผ่านพ้นด้วยดีฉะลาถ้าเรามีชีวิตฉะลาก็จะได้บทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งจากสงครามมารึนะครับาะซุลลอฮอลนบีัวะซัลลอะลัฮิวซัลแลมอะลัย